48เธอย้สังวาดวัตถุว่าด้วยคนลักเพศและคนเข้ารีดเดรัถีบรรพชาห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีดอุปสมบทข้อหนึ่งร้สมัยนั้นบุตรของตระกูลเก่าแก่คนหนึ่งเป็นคนเบา บ, บางมีหมู่ญาติในตระกูลสิ้นไปเขามีความคิดว่าเราเป็นคนเบา บ, บางไม่สามารถจะหาโภะทระซย์ที่ยังไม่มีหรือจะทำพระกระซย์ที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้นได้ ด้วยวิธีใดหนอเราจะอยู่สุขสบายและไม่ลำบากคิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้มีลักษณะดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีๆนอนในห้องมิดชิดถ้ากระไรเราพึงเตรียมบาทและจีวรปลงผมและหนวด น, นุ่งห่มผ้ากาสยเสียเองแล้วไปยังอารามอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายต่อมาเขาได้เตรียมบาดและจีวรปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสยะเองไปยังอารามไหวภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านมีบรรษาได้เท่าไรละ่ะเขาย้อนถามว่าที่เชื่อว่ามีพรรษาเท่าไหร่นั่นคืออะไรขอรับท่านก็ใครเป็นพระปัญชาของท่านละ่ะที่ชื่อว่าพระปัญชานั่นคือใครขอรับภิกษุทั้งหลายได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านพระอุบาดีว่าท่านอุบาดีขอนิมนต์ท่านสอบสวนบรรพชิต ร, รูปนี้ดูเถอด ทรั้นเขาถูกท่านพระอุบาลีสอบสวนจึงยอมบอกเรื่องนั้นท่านพระอุบาลีได้บอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทงาครงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้เป็นคนลักเพศไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสียภิกษุทั้งหลายอนุปสมบันผู้ไปเข้ารีดเดียรถีไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสียวงเล็บสองสาม